ติกะสิบเกอาชะตาติกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุคไนเจ็ดสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตน เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุจใจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นภายในตน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤ์ซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเนือก้าววาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเนืก้าวาระย่อพึงขยายสหาชาติวาระละถึงสัมปยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปิิจจวาระ๗๙ สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งเป็นภายในตน โดยเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระ ย, าย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในขุศลติกะพระหิทธาบทเหตุปัจจัยแปสิบสภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งเป็นภายนอกตน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิตซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุุปัจมีเก้าวาระละถึงวิปากตุปัจมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีกล้าวาระย่อสหชาตวาระละถึงสามยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระแปสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายนอกตน เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระ ยอ่อเพื่ขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในอุศละเกะหนึ่งอุศละเกะยี่สิบอาชะ ต, ตารมณะเถกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจะจะเจตุกไนแปดสิบสองสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรร ม, นนารมาภ า, รมรมรมายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อแปสิบสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากาปจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อหนึ่งกุชลติกะยี่สิบเอ็ดชนิทัสนติกะหนึ่งปฏิจาวาระปัจยจตุกนัยิแปสิบสี่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเห็นไม่ได้แต่ประทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อเหตุถูกปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีนหนึ่งวาระย่อพึงขยายสาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจาราลปสห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิ ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัปยากฤิตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอาริมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึ่งขยายสาหชาติวาระละถึง สามปยุตตะ ว, วาระและปัญหาวาระให้พิสดารกุศลติกะและสนิทัสนะถรกะจบสองเวทนาติกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้น ปัจยะจตุกนัยแปดสิบหกสภาวธรรมที่สัมปยุทธิสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทวยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจใจเหตุถูปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตาวาระและถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระแปสิบเจสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุตัวปัจใจสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมพยุทธด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยยอ่อเหตุุปัจจัยมีสองวาระอรมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระละถึงอุปานิเสยปัจจัยมีสี่วาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสองวาระยอ่อทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณาแปปด สภาวะธรรมที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวะธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นอกุศนอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจสภาวะธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขโมกุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยอทโธกมสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อทุกปัจใจเพิ่งขยายให้พิสดารแปดสบเก้าสภาวะธรรมที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤต เกิดข er ึ้นพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุต์ด้วยทุกขโมกขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามะนปัจจัยมีสามวาระละถึงฮาเสวะนปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อส วิปากติกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจาวาระเหตุปัจจัยเกสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อเก้าสิบเอด สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถกปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ92สภาวธรรมที่เป็นวิปากซึ่งเป็นอพยากริอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากซึ่งเป็นอพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นวิปากซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจมีสามวาระย่อ เทถุปัจจัยมีกลาวาระอารมณะปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระและถึงอุปนิสยปัจใจมีสี่วาระภูเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, าจจาระและถึงสัมปยุตตปัจใจมีสี่วาระและถึงอวิคตปัจจัยมีกลาวาระย่อ ทุกปัจจัยเพื่งขยายให้พิสดาร 4. อุปาทินาติกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุ ป, ปัจจัย 93. สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 เกิดข <S an> ึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิดารสภาวะธรรมเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาเก้สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซ okay. ึ่งเป็นอัพยากฤตดอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยกฤิอหาสายสภาวะธรรมที่กรำมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่กรำมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤิ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 เหตุปัจจัยมีเ้าวาร ะ, ะอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดารหสังิีลิธาเถกะหนึ่งกุสลตถกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยเ hey, ก้าสิบห้า สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เ <uring> ป <ggi. S 2> <c oughs> ็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส ซึ่งเป็นอภพญากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยยอ่อเหตุถูปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ